านาให้ได้ผลดีต้องโง่ามากๆการภาวนาเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลดีต้องโง่ามากๆหน่อยถ้าขืนฉลาดแล้วเป็นอุปสรรคกั้นอยู่นั่นตัวอย่างญาติผู้ใหญ่ของหลวงพ่อคนหนึ่งอ่านหนังสือไม่ออกสวดมนต์ไม่เป็นแกก็มาบ่นว่าโอ้ยเกิดมาชาตินี้ทำไมโง่นักหนาน อ, อ มันโง่ยังไงจะไม่โง่ยังไงสวดมนต์ก็ไม่เป็นฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องท่านเทศภาษาไทยเราเป็นลาวเราก็ฟังภาษาไทยไม่ออกแกว่าถามแกว่าสวดพุดทธโธคำเดียวได้ไหมได้เอา้าถ้างั้นสวดพุดทธโธคำเดียวแกก็สวดของแกอยู่นั่นทั้งกลางวันกลางคืนตื่นเวลาไหนแกก็สวด บางทีแกบอกว่านอนหลับแล้วก็ยังสวดพุดโทโธอยู่อยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อกําลังจะลงทําวัดเช้าตอนตีสี่แกบุกขึ้นไปบนกุฏิพอเห็นแกโผล่ขึ้นไปอา้าวโยมมาทําไมละ่ะผู้หญิงยิงเรือมาหาพระเจ้าพระสงค์เวลาค่ำคืนไม่งามนะโอ้ยมันทนไม่ไหวทำไมทนไม่ไหวทำไมหูใจคนมันจะลุกเป็นไฟได้เราก็รู้ทันทีว่า จิตของแกสงบเป็นสมาธิถามว่ามันลุกเป็นไฟแล้วมันร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนมันเย็นสบายเกิดมาไม่เคยพบกับความสุขอย่างเนี้เลยเดี๋ยวนี้มันก็ยังลุกอยู่นะเออถ้ามันไม่ร้อนก็ปล่อยให้มันลุกอยู่นั่นภายหลังมาถามทีไรทีไ ร, ไรหัวใจมันยังลุกเป็นไฟอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันยิ่งลุกแรง บางทีจนตกใจว่านั่งอยู่ในศาลาเนี่ยความสว่างสวัยมันเต็มศาลาไปหมดอันนั้นจิตแกเป็นสมาธิแล้วถามว่าจิตมันลุกเป็นไฟแล้วมันยังท่องพุทโธอยู่หรือเปล่ามันไม่ท่องมันหยุดหยุดนิ่งแล้วก็รู้มีความสุขหาที่เปรียบไม่ได้เลยเกิดมาไม่เคยเจอความสุขอย่างนี้ซากทีจนกระทั่งแกตายเวลาจวนจะตายเนี่ย ไปถามแกเดี๋ยวนี้หัวใจมันยังลุกเป็นไฟอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันยิ่งลุกแรงมันไม่ได้ไปไหนและพิจารณาดูอายุไขหรือยังมันหมดหรือยังหมดไปนานแล้วคอยฟังคำสั่งเท่านั้นน่ะอ้าวจะให้ฉันสั่งให้ตายเหรอก็อย่างนั้นน่ะสิใครเป็นผู้รับผิดชอบคนนั้นต้องสั่งถ้าแกแน่ใจว่าอายุไขแกหมดแล้วอ้าวฉันสั่งนะ แต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะให้งานเสร็จก่อนวันนั้นเป็นงานวันบูรพาจารย์วันที่สองธันวาคมพองานเราเสร็จขึ้นวันที่สามแกตื่นเช้ามาวันที่สี่แกก็ไป